อาย่าจนน้อยตอนนี้ไปก็ฟังควำอธิบายในการเจริญพระกรรมฐวันนี้ไม่ต้องมากกระแดไม่โยมนะสักห้าชั่วโมงคอ่ไงอันย่าไปเล่นเลข้าแนละ้วมันไม่มานะไปอย่าดักคอที่อ้าวจริงๆเลกินบันไดนี่เท่าดี สําหรับวันนี้ขออธิบายแนววิธีปฏิบัติกรรมฐานแบบเอาจริงเอาหลอกนะวิธีปฏิบัติเอาจริงจริงก็ขอให้บรรดาท่านพุทธบริษัทมุ่งจะมาถ่ายกองใดกองหนึ่งที่ชอบใจเอาให้ได้ทําให้ชินแล้วก็จะเป็นผลดีกับบรรดาท่านพุทธบริษัทเวลาตายก่อนตายก็ดีจิตเยือกเย็น เวลาตายไปแล้วก็มีอารมผ่องไสอย่างต่ำก็ไปสวรรค์ได้ตายก่อนอย่าตายแต่มีอารมอย่างกลางก็ไปตุมมโลกได้ถ้ารมสะอาดที่สุดก็ไปนิพพานได้ <c oughs> นี่กรรมาฐานนี่บรรดาญาโยมบริษัทจะเลือกเราเดี๋ยวคมจริงมีสี่สิบอย่างถ้าสี่สิบอย่างมาพูดวันนี้คงไม่จบไง ก็ขอพูดเฉพาะที่ง่ายที่สุดคืออนุสติอนุสติเนี่ยแปลว่าตามนึกถึงแต่คําว่าอนุสติตามนึกถึงนี่บวกกับศีลด้ด้วยถ้าทําบวกเป็นประเภทเกสินกรรมฐานจะทรงตัวดีมากสําหรับอนุสติที่บรรดาญาโยมบริษัทจะยึดเป็นอารมณ์เพื่อเป็นการป้องกันน้บายภูมิแน่นอนก็คือพุทธานุสติ คำว่าพุท ธ, ธานุสตินึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์คำว่าเป็นอารมณ์นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องนึกซึกทุกลมให้ใจเข้าออกเพราะว่าเวล า, า, าการง า, งานของเรามันมีเจ้าพูดจา ก, ก็มีทํางานอย่างอื่นก็มีต้องคิดอย่างอื่นก็มีแต่ว่าถ้าเวลาว่างขึ้นมาให้จิตนึกถึไ ง, งได้ทันทีทันใด นั่นก็คือนึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบหรือว่าวันดาแท้พุทธบริษัทที่ปฏิบัติได้ที่พิุูยานในมโนยยติเคยเห็นพระพุทธเจ้ามาแล้วตามนิมิต ท, ที่เราเคยเห็นพอใจภาพพระพุทธเจ้าในนิมิตแบบไหนตั้งใจจำแบบนั้นไว้ แล้วก็ยามปกติถ้าเวลาว่างให้นึกถึงพระพุทธเจา้าหรือนึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบตั้งใจนึกถึงเวลานึกถึงพระพุทธเจ้าก็ดีนึกถึงพระพุทธรูปก็ดีอย่างนี้เคยมีคนมาถามว่าจะนึกถึงรูปพระพุทธพระพุทธรูปพระพุทธเจา้าซึ่งอยู่ในหน้าอกดีที่อยู่ข้างนอกดี อย่างนี้ก็ขอตอบทันทีว่าให้ปฏิบัติตามความพอใจถ้าอย่างไหนคล่องไม่ลาบากทำอย่างนั้นเห็นภาพมุธรูปข้างนอกกายใจเราสบายไม่ลาบากก็มองดูนอกกายเห็นมาขตุธรูปภายในอกดีมีจิตสะดวกก็เห็นในอกตามใจชอบแต่ว่าการเห็นข้างนอกกับเห็นข้างในต่างกันอยู่นิดหนึ่ง เห็นภาพพระพุทรูปข้างนอกเป็นพุทธานุสติด้วยถ้าเราคิดว่านี่คือพระพุตธรูปหรือพระพุทธเจ้าในการเห็นภาพเป็นกสินเห็นภาพพระเป็นสีเหลืองเป็นปิตากรกสินถ้าสีขาวเป็นโอทาตรกสินภาพเป็นภาพใสเป็นอาโลกระสินอย่างภาพพิภันธ์ภาพพิพานธเป็นอาโลกระสิน แต่ว่าถ้าเห็นพระพุทธรูปภายในอกก็เป็นพุทธานุสติด้วยเป็นกรสินด้วยเป็นวิญญาณัญญาชนชานและรูปฌานด้วยถือว่าเห็นภาพพระพุทธรูปเป็นพุทธานุสติในอกถ้าดึกถึงพระพุทธรูปนะถ้าเห็นเป็นภาพสีอะไรก็ตามเป็นกสินเป็นกรสินด้วยแต่ฐานะที่อยู่ในอกประกอบด้วยจิต ท่านเรียกวิญญาณนันจายราะนันชฌานเป็นรูปประชาณด้วยถ้าถามเนื่ อ, องอสงก็ต้องตอบว่าเหมือนกันฉะนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามถ้าบรรดาท่านุูบริสัทท์ทำได้ให้ทำอย่างนั้นแต่วิธีปฏิบัติจริงๆอย่าโมดคิดว่าจะต้องนั่งคาตมาตั่งคาตมาที่นั่งพระเพียบเสมอไปการนึกถึงภาพรักเวลาเดินไปเดินมาทากายงานก็ดี ไปธุระกะดีให้นึกถึงไม่เป็นปกติให้ชินถ้าจะถามว่าทําอย่างนี้ทําได้หรือก็ต้องตอบว่าทำได้เพรจะมาทํำมาแล้วเราเดินไปแค่เราคุยกับใครก็คุยเวลาว่า้จะการคุยนึกถึงภาพพระให้นึกเห็นทันทีทันใดการไหว้เห็นนี่นึกเห็นนะนึกจําภาพได้ไม่เฉพาพพระลอยมาที่น่า ล อ, อยภาพรอยภาพภาพก็ลอยมาอาิตชาไม่มีผลมันจะเป็นอุปาทานต้องการให้นึกถึงภาพพระองค์นั้นแต่บางทีเรานึกถึงภาพพระพุทธรูปท่านนั่งเราชอบใจองคนั่งบางครั้งดูเห็นไปเ ห, น เ, หนเห็นไม้เห็นหมา้ใบกลายเป็นพะนอนบางทีกลายเป็นพระยืนอันนี้ก็ปล่อยไม่จําเป็นต้องวิตกกังวล เพื่อจะนึกว่าเป็นพระนั่งก็ดีพระนอนก็ดีพระยิงก็ดีแต้ก็คือพระพุทธเจ้าเหมือนกันสนใจเป็นแค่พระพุทธเจ้าอย่างเดียวอย่างนี้พอถ้าวัดาแต่รบริษัททาได้อย่างนี้ทุกวันเอาทุกวันให้ถามว่าทำเวลาไหนก็จะตอบว่าไม่มีการจํากัดเวลา การอยากจะนึกถึงพระพุทเจ้าเวลาไหนก็นึกเอาเวลานั้นตามชอบใจเวลาทํางานก็ได้เดินอยู่ก็ได้อาบน้ำเอาทานนึกกันได้รับประทานอาหารก็ได้ไม่ได้เรืยกวเวลาถ้านึกขึ้นมาเมาื่อไรนึ ก, กจิตเห็นภาพเหมือนั้นททุกครั้งที่นึกถึงเห็นภาพทันทีทันใดแสดงว่าเวลานั้นท่านมีฌานในพุท ธ, ธานุสติกรรมฐานตั้งใจทำให้ชิน ภาามีฌานในพุทธานุติกรมฐานอย่างนี้เนะี่ยเวลาท่านจะตายขอยืนยันว่าการจะตายของท่านจะไปอวัยภูไม่ได้าำไมาไปไม่ได้เพราะเราไม่อยากไปแล้วก็เวลาถ้าป่วยหนักๆเริ่มป่วยแค่เริ่มป่วยเพราะจิตมันชินภาพพระพุทธโูปก็ดีภาพพระพุทธเจ้า ก, ก็ดีที่เห็นจามตัวปกติ อวุตุ้รุกกับเรากันนะ <c oughs> เราเคยเหาวุธตุรุกสีเหลืองตามโบติเราเห็นจําจับพระองค์เร า, ราหนึ่งเข้าไว้ตางความพอใจถ้ า, าการป่วยเกิดขึ้นในการป่วยให้สังเกตแตาการป่วยเท่านั้นแม้จะเริ่มป่วยเบื่องแรกยังไม่มากนะักแต่การป่วยจริงๆมันจะหนักถึงว่าจะยังไม่ตายก็าตามภาพพระจะมีการเปลี่ยนแปลง อันดับแรกจะเห็นภาพพระ อ, องค์นั้นชัดขึ้นเพราะอะไรเพราะวะ่าทารายร่างกายเริ่มป่วยจิตเริ่มมีความมั่นคงในพุท ธ, ธานุสติมากขึ้นมันทํางานเองอัตโนมัติถ้าการป่วยหนักขึ้นมาการป่วยนานเข้าจิตทรงตัวนายเข้าภาพพระจะเริ่มเปลี่ยนแปลงอันนี้ต้องปล่อยอย่าไปฝืนอย่าไปคิดว่าผิด จากสมุติจากสีเหลืองจะค่อยๆคลายจากสีเหลืองจางมาดิรน้อยดน้อยค่อยๆคลายนีต่อไปถึงนี่สุดก็จะกลายเป็นสีขาวทั้งหมดเห็นพระภาพเป็นสีขาวทั้งหมดก็ถือว่าเป็นอุปจารสมาธิเตมมาตราตอนนั้นกำลังใจจะมีความมั่นคงมากในพุทธานุัติุกรรมฐาน จิตจะเริ่มเข้าใกล้ฌานเต็มทีถ้าเห็นภาพสีขาวได้ตอนนั้นก็ลองคิดคิดเอานะไม่ต้องไม่ต้องพูดนึกว่าขอภาพพระรูปโยโย่สูงเหนือจีสัตว์ภาพพระ่าไปตามนั้นขอภาพพระรูปอยู่ก็หลังอยู่ก็หน้าอยู่ก็ซ้ายอยู่ ข, าขวาก็าตับจะเป็นไปตามนั้นเราต้องการอย่างนี้ถือว่าจิตมีกําลังสูงใกล้ถึงฌานสมาบัติ เขาเรกอุปจาระชันถ้ากําลังสมาธิเพียงเท่านี้ที่พระพุทธเจ้าทรงตัดวิเนียร์ปไตยวิโกว่าถ้าจิตทรงถึงอุปจาระสรสมาธิไม่คงเวลาตายแจกความเป็นคนจะเลือกสวรรค์ชั้นไหนอยู่ก็ได้ตามใจชอบนี่จุดหนึ่งที่เราอยู่ได้นะต่อไปถ้ามันเอิบอิบมันยังไม่ตายยังอยู่ จิตใจก็มีความมั่นคงยิ่งขึ้นต่อไปพระจะจากสีขาวทึบจะค่อยๆคลายเป็นแก้วที่ละน้อยแต่น้อยเป็นแก้วใสในทีสุดก็เป็นแก้วเต็มองค์ทั้งองค์เป็นแก้วใสทั้งหมดผ้าเป็นแก้วใสทั้งหมดเต็มองอย่างนี้เป็นชานที่สี่ แต่ ว, ว่าเรื่องชาเรื่อไข้ของสมาธิเนี่ของบรรดาแต่บริษัทยังมีความกังวลให้มากถ้าไปกังวลเรื่องไข้ของสมาธิอารมณ์จิตจะตกเพราะบางครั้งถ้าร่างกายดีจิตก็จะส่งตัวสมาธิจะสรงตัวดีถ้าร่างกายมันป่วยไข้ไม่สบายดเด้อยเรื่มมากสมาธิจะตกหมดบ้างความมองความหมองของภาพความเศร้าหมองหรือความไม่ชัดเจนของภาพจะปรากฏขึ้น ดังนั้นขออนุญาตทางมูลธบริษัททุกคนให้ทําแค่จิตสบายถือว่าจิตนึกเพิ่มภาพพระได้ก็ใช้ได้ก็แล้วกันเพราะกรรมฐานของเราไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่สามนะับสลายตัวหากว่าท่านทําได้อย่างนี้เอาจิตนึกถึงภาพพระเจ้าจะเป็นเห็นข้างนอกได้เห็นแ่อกตตามอยาอ ย, อยู่ข้างบนได้กอยู่ข้างข้างกัตามอันนี้ไม่จํากัด ให้เห็นได้ทุกวันจริงๆก็ตื่นขึ้มาพักจิตใจจับคํภาวนาว่าพุโทโธหรือสัมมารหก็ได้คํภาวนานี้ไม่จํากัดท้องกระจิตนึกภาพพระพุทธรูปที่เราต้องการได้เห็นเมื่อที่จะมาจิตเห็นพนิพพงภาพพระองค์นั้นได้ชัตกิเกิดแจ่มใสยอย่างง่าได้ถ้าทําอย่างนี้ทุกวันเวลาจะเดินทางไปไหนเป็นอันตรายแกพระงคีเองก็เปนภูชาบรั คำบูชาพระบางทีไม่มีโอกาสเกี่ร์นั่งที่บูชาก็ไม่เป็นไรใจในึ่ถึงพระพุทธรูปที่เราเคยเห็นขอบารมีแห่งกุ้งครองก่อนจะออกจากบ้านเรนนึกถึงภาพพระนั้นตลอบเวลาเท่าที่เรางได้อย่างนี้ก็ดีถ้าทําได้อย่างนี้ถือว่าอารมณ์จิตมีความไม่คงอยู่อันดับคนชั้นอันนี้ต่อมาต้สำคัญสำหรับการการักษาอารมณ์วิธีปฏิบัติต่างๆในความจริงก็ต้องการแข่น ที่ต้องใช้เวลากันมากพูดกันมากก็เป็นการรักษาอารมณ์การรักษาอารมณ์นี้ก็มีส่วนแทรกอยู่เยอะวันนี้ก็วปนวันสุดท้ายเลยขอพูดเรื่องต้นไอ้วันต้นไปพูดเรื่องสุดท้ายนะเจริญไม่ไงหวาลืมวันป่วยทั้งวันป่วยหนักไปนหน่อยเครียดไปวันนี้ก็เครียดแต่วันนี้ถ่ายตัวเจรลงมาให้ถ่ายตัวมาก การรักษาลมหายใจทรงตัอย่างนี้จริงๆบรรดาญาโยมบริษัทจญิงก็ต้องไม่ลืมการขึ้นต้นการขึ้นต้นการเรียกรรมฐานจริงๆทุกกองจริงๆและกรรมฐานมี40สกองในสี่สกองนี้ก็มีกองําคัญอยู่กองหนึ่งคืออนาบานุสกิกรรมฐานได้แก่การรู้ลมหายใจท่อออก อานาปานุสติกรรมฐานนี้ต้องคุมทุกกองอีสานยเก้ากองท่านจะทำกองไหนก็ตามต้องขึ้นอาณาปานุสติก่อนคือรู้ลมหายใจเขาออกก่อนและภาวนากองนั้นนี่เป็นเรื่องสำคัญนะและต่อมาในการแสดงกรรมฐานนี้สมาธิเราจะบังคับสมาธิให้ทรงตัวในนดยขนาด น, านขนาดนี้นี่เป็นไปได้ยากเพราะในขั้นนี้ที่าอยู่ในเกงการฝึก ถ้ายัางไม่สมําเร็จพระอาหารหันต์เพียงใดก็ทูทุกขอทุกคนคิดว่าเราอยู่ในขั้นของการฝึก <c oughs> ในขณะที่อยู่ในขั้นของการฝึกบรรดาว่าทีบ่บรรดาแต่พุทธบริสัทธ์คิดว่าจิตมันไม่สงบมีคนมาประรุกมากอยากจิตเรงิงกรรมฐานด้วยกันในจิตใจมันวุ่นวายอันนี้ก็ขอบอกในตอนนี้เลยว่า ถ้าบุคคลผู้ใดจิตใจไม่วุ่นวายมันก็ไม่มีครูสอนกรรมฐานสอนให้เพราะอะไรเป็นพระรหัสแลสอนยังไงเห็น ไ, ไหมคนที่ยังไม่เป็นพระรหัสในจิตต้องวุ่นวายทุกคนต้องมีกายกระสับกระส่ายทุกคนความวุ่นวายของจิตมันวุ่นวายไปถึงอาดาัตตมัตยังเป็นบุตุชนมันก็วุ่นมากหน่อยเพราะตกอยู่ในสภ า, าวะของอิวานอ่าแปการ กนะ็วุ่นในวันห้แกกายการมันทำให้ยุ่งเราสามารถจะระงับได้ช่วงขณะใ ด, ดขณะหนึ่งตอนใดตอนหนึ่งที่เราจเจริญพระกรรมฐ า, านสมมติว่าตั้งเวลาไว้สามสิบนาทีมัต้องมาิคอแต่ว่าในช่วงเวลาสามสิบนาทีนี้เวลาประมาณยี่ห้านาทีมันเป็นท่ายของนิบอคิดโนนคิดนี่วุ่นวายไปหมด แต่ ว, ว่ารวมแล้วสงบใจได้จริงๆประมาณห้านาทีอย่างนี้ควรจะพอใจหรือว่าวิธีปฏิบัติอีแบบหนึ่งเขาเริ่มต้นให้จิตสงบไปเลยไม่วุ่นวายเอาขั้นน้อยๆเวลาเริ่มต้นใหม่ๆเขาจะนับลมหายใจเขาออกหายใจเข้าใจออกนับเป็นหนึ่งหายใจเข้าหาใจออกนับเป็นสองให้ใจจะโคตรคำว่านายก็ได้ ห้ใจเข้าเนื้อว่าพุทธา่ ใ, ใจออกนกว่าโทนับเป็นหนึใหใจเข้าเนืว่าพุทใสใจออกเนื้อว่าโทนับเป็นสองอย่างนี้เอาแค่สิบก็จงคิดในใจว่าตั้งแต่หนึ่งถึงสิเราจะไม่ยอมให้อารมณ์ต่างๆเข้ามาแทรกจิตอารมณ์ต่างๆเข้ามาแทรกจิตเวลานี้เราจะขึ้นต้นใหม่ชนับเมื่อใหม่จนกว่าถึงสิบ ถ้าพยายามบังคับจิตใช้เวลาน้อยๆอย่างนี้ทำทุกวันคือก่อนจะหลับวันบ้านกครั้งหนึ่งสักหนึ่งสิบถ้าตื่นใหม่ๆจะไม่ต้องลุกของล่างหน้านอนแบบรันว่าร์สสิบถ้าทำอย่างนี้ให้ชิงขอยืนยันว่าใช้เวลาเพียงหนึ่งเดือนแค่หนึ่งเดือนจิตที่จะทรงชานได้ดีมาก เป็นน้ำว่าจะทรงสมาธิเรียบละเอียดทรงตัวดีภไยในครึ่งชั่วโมงนี้สามารถทําได้ดีมากทรงตัวดีไม่เป็นไหนนี่การว่าการปึกใจในการฝึกจริงๆบังคับอยากใช้เวลาให้มากให้มีการทรงตัวจริงๆใช้เวลาในน้อยถพาระนักหนึ่งถึงสิบสามารถทรงตัวได้คิดไม่คิดเครื่องอื่นต่อไปถ้ารับมาสักครึ่งเดือนเนี่ย สองร้อยสามร้อยมัยังไม่ไปไหนเลยมันอยู่อันนี้ทดลองแล้วนะแต่อันี้เป่นมาเล่าเป็นนิทานเนี่รองํามาแล้วที่ต่อไปเมื่อจิตสามารถทรงได้แบบนี้นานทักงสองนาทีสานาทีก็ตามไอที่พูดนี่เป็นคณิกาศมาธิต่อไปก็ถึงขึถึงอุปจารสมาธิเนี่ยมก็พู่นอยู่เปมนกันตอน เ, เข้าถึงอุปจารสมาธิเนี่ยก็ลเริีติ มันมีปีเบื่องต้นมีปีกับสุขสํสำคัดตอนปปีติดนี้เพิ่มมาอาการกเขาปีติดมันมีห้าอย่างคือหนึ่งขนพรอยยออเกล้าวสองน้ำตาลไหลสร่างกายโยกโลงสี่ตัวลอยทนเมือกาศห้ามีอาการราบสา่านให้จำอาการเขาปีติดห้าอย่างไว้ให้ดี แต่าการปรีจิตก็ห้าอย่างนี้จะไม่มีครบในบุคคลทุกคนถ้าเป็นปรารถนาเป็นสาวกภูมินะถ้าท่านมีปรารถนาภูตภูมิต้องผ่านทุกทกอย่างทั้งห้าอย่างถ้าสาวกภูมิเนี่บางคนก็ไม่ผ่านอาการเลยบางคนก็ผ่านอย่างสองอย่างนี่ต้องจํำว่าอาการมีอะไรบ้างหนึ่งขนพองสยองกล้าวกืนขนลุกสู้ซาสองน้าตาลไหล 3ลร่างกายโยกโครงสตัวลอยบรรากาศห้าการทราบใจอ า, าการทั้งห้าอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าไม่เกิดขึ้นเราจะไม่สนใจในอาการเพราะขนาดที่อาการนี้เกิดขึ้นจิตจะมีความทุ่มชื่นจิตทรงตัวดีมากให้คือจิตเป็นสำคัญขนจะลุกกระเถินมันลุกไปน้ำตาจะไหลอยากจะไหลก็ไหลไปร่างกายโยกโครงอยากจะโยกก็มันโยกไป ตัวลอยเบอร์กลายเข้าไปสังกูกลับไม่ได้มองกลับเองทำไมมีเพื่อนชั้นมีปฏิบัติกรรมาฐานพร้อมกันในเวลา10บนาทีคุยได้ไม่ยากก็ยากคุยเลย น, นะหรือ ว, ว่าปฏิบัติกรรมาฐานพร้อมกันเขาอยู่ในโบสถ์สี่องค์ด้วยกันนั่งกับคนละมุขในจดแล้วที่ล้างท่อจดได้เป็นจดจําได้ เรียกว่าเวลานั่งอยู่ตื่นขึ้นมาประมาณตีสองใกล้จะตีสองทุกคนต้องตื่นประมาณตีหนึ่งครึ่งนี่ก็ตื่นกันแล้วตื่นมาล้างหน้าล้างตาดีก็ทาวัดก็นอนในโบสถ์หน้าพระประธานใหญ่ดีใช่ไหมมีจิตใจสดชื่นก็นั่งกรรมฐานใน้คนละมุมโบสถ์พอนั่งไปวันเดียวเดียวเพื่อนเห็คนหนึ่งเปิดมาดูโบสถ์ั้งวิยญางฟื้ปกติีเหลา คนกเราก็มองดูนี่มันยังไงจะไหวก็เลยนนึกว่าเขาจะวิ่งไปก็เรื่องเขาเรื่องของเราก็เรื่องของเราทีวิ่งไปแล้วก็ไปกลับมาก็เลยทํากันต่อพอเวลาได้รนก็เข้าเขาไปปฏิบัติแยดแจงผมผ้าจะไปปฏิบัตกันเมื่อออกไปปฏิบัตกลับวาแล้วว่าใส่ข้าวติดพวกข้าวปั้นเนี่ยก็ไ ป, ปต่างและบอกพเมื่อคืนนี้มันมีพระัวดีโยองหนึ่งเี็นพระอง์ที่วิ่งไปเี่ย กแกโยกแกบทภาษาเดียวกันต่้งก็เลยไล่ฟังว่าให้ท่านโยวกวันเข้าถึงอุปนิารปีติเวลานั่งตัวลอยขึ้นไปนี้ลอยขึ้นไปหัวก็ไปชนพปดานน่มันชนไม่แรงเอาชนเบาเอาเปปนิาปีติถ้ามันกระทบอะไรพอกำลังปีติจะเสือ่อมมันจะกลับมานั่งที่เดิมถ้าทางที่จะมาัางตัว ออสิเส้นขีดเพือไม่ได้มันจะไม่พลาดเขาจากที่เดิมเลยถูกไหมจะลงบอกทุกอย่างพอหัวเครื่องกระทบไฟดานจิตก็ว่าจิตก็สระโดดนิดหนึ่งมัก็ลอยกลับมานั่งที่เดิมพอนอยกลับมาั่งที่เดิมแกก็ทนไม่ไหวก็จะลอยที่อื่นกลับไม่ได้แล้วเปิดประตูบโบดถวิ่งไปหารถบานตอนดึกรถบานบอกไอ้ข้ากําลังจะานนทากรรมฐานได้โยกก็มาเคาะประตู <laughs> แหว ไอ้พระตัวดีแบบนี้มันหายากเหลือเกินใช่ไหมเร่อพวกนี้ก็ระวังนะนน้กอะไรไปบ้างตัวลอยแม่เือเประดานจะทะลุหมเลยอืม อ, อาการอย่างใดอย่า ง, างนึงเกิดขึ้นต้องปล่อยมันอย่างข้อที่สองน้ำตาไหลนี่มันก็ไม่ไหลเฉพาะที่เรานั่งสมาธิ อาราณ์เขปรีติปิีติมันทรงนี่มันไม่ทรงเฉพาะเรนั่งหลับตาภาวนานะมันจะทรงตลอดนี่พอไปใครก็พูดอะไรชอบใจึ้นมาจิตมันชุ่มชื้มันนตายก็ไหลบางคนก็ไหลมากมากมันจะรอไห้นะอย่าอันนี้ก็ต้องปล่อยมันมันอยากจะไหลก็จะไหลไปถ้าจะถามว่าอาการต่างๆมันจะเลิกเมื่อไรก็ตอนๆบว่าถ้าจิตชุดตัวลง สมาธิเหลือต่ํากว่านั้นมันก็ไม่มีอาการอย่างนั้นหรือว่าสมาธิถ้าสูงขึ้นอาการอย่างไันก็ไม่ปรากฏมันผ่านไปแล้วกลัวความว่าขณะที่เข้าถึงอุปจาระสมาธิเบื้องต้นที่เรียวกว่าปีติอันนี้พระบรรดาจะพุทธองค์จัด ต, ต้องระมัดรวังอาการห้าอย่างขอย้ำอีกครั้งนึวันหนึ่ ง, ง, งคุณฟองเหยอเกล้าขอผููตามหอกซื้อ ส, สองน้ำตาลไหลสามร่างกายโยกโคโสี่ตัวลอยมลอกาศใายการทราบสา้เขาพูดแบบนี้พราะสั้นๆดีนะกระองความว่าการที่จะรักษาอารมณ์นับแรกของบรรดาเจ้าพนักบริษัทรักษาอารมณ์ค่อยสั้นๆไม่ต้องยาวใช้เวลาสั้นๆอย่าให้นานนะักตอนนี้ถ้าทำอาการชินถ้าชินแล้วจิตเป็นชาล ตอนนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะตั้งแต่ขั้นปีติวินิี่ขบันดาแทนพุทธบริษัท ต, ต้องระวังให้มากคําว่าปีติแปลว่าความอิ่มใจแในกัมมุปจารสมาธิยังไม่มีขั้นปีติอย่างเดียวมีสุขพอปีติเข้าติดก็จะถึงสุขความสุขที่สัมผัส ก, กับจิตอย่างนี้เราจะปรากฏไม่เคยมีปรากฏการมาในการก่อน คำว่าเราไม่มีความสุขก็จะไม่มีความสุขอย่างนี้ที่เคยผ่านมาไม่จะสุขมากในช่วงนี้แหละความเพลิดเพลินมันจะเกิดหนึ่งความอิ่งใจรายกดสองมีความสุขรายกดพอตัวสุขเกิดขึ้นตัวนี้ไอาการปวดกันเมื่อยจะมันไม่มีเลิกเลิกปวดเลิกเมื่อยหลังกดหลังแข็งเมื่อยหน้าเมื่อยหลังไม่มีเล้มันสบายมาก ตอนนี้กำวันดาจะมุ่งบริษัทระวังที่ปีตีกับสุขเข้าถึงใจต้อระวังให้มากคำ ว, ว่าต้องระวังก็คือว่าเคยให้เวลาปฏิบัติกรรมฐานใช้เวลาเท่าไหร่สมมัิเคยใช้เวลาครึ่งชั่วโมงแล้วหนึ่งชั่วโมงอย่าทำเกินกว่านั้นในขั้นต้นควนรคนยจะตั้งเวลาปลุกนาฬิกาปลุกไว้และเวลาเคยพักผ่อนเท่าไรให้พักผ่อนตามเดิมอย่าฝืน จงอย่าคิดว่าเรากำลังสบายอยู่ไม่เป็นไรเรายังไม่เลิกถ้าขืนเป็นแบบนี้แต่ก็โลคประสา์จะเกิดอันจะกลายเป็นอัตตากะมันถานโยกคือกรมานตนต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเพระท่านเป็นองค์ต้นสอนคนฟ้าวิชานี้มาการปฏิบัติเพื่อกฐรรานจะให้มีผลต้องอยู่ในขั้นมันชฌิ ม, มาวติปทานต้องเว้นส่วนสุดสองอย่าง ที่ทรงใจกับปัญญวัีหรือสี่ั้งห้ามีตั้งโกรนยะเป็นต้นเพราะว่าเธอจังหลายเือจังหลายเจ้าละส่วนสุดสองอย่างคือหนึ่งอัตตะนรมฐานโยกทรมานตนรรมานร่างกายเกินไปสองกรรมสุขานิการิโยกย่อหย่อนนิอยากได้เกินไปคำว่าย่อหย่อนนี่ก็ความจริงมันอยากได้กรรมะเราความใคร เวลาจะทํากรรมฐานพัฒนาไปด้วยพิจริญนาไปด้วยนึกยากจะได้อย่างนั้นนึกได้จะได้อย่างนี้ให้รีบไปอุตจักรกุจจักรเป็นอิริทไม่มีผลคือเวลาปฏิบัติให้จิตสบายขึ้นมาไม่เลิกตามเวลาปลอยเครียดบาทีนั่งถึงเจ้าสว่างก็มีนั่งเกินหลายชั่วโมงพอดีร่างกายก็ถูกประมาณประสาทก็เครียดประสาทเครียดไม่ชาประสาทกระเดิ่องมุนวาย สิ่งที่ติดตากม็มาได้ก็คือโรคสมประสาทที่เขาเรียกว่าโรคบาสฉะนั <c oughs> ้นขอบันดาลในพุทธบริษัทหลายโดยทุนน้าถ้าว่าเอิจิตเข้าถึงปีติตด้อสุขแล้วยาถึงเวลาไหนก็ตามให้น้ำมัตระวัางเวลาพักผ่อนไว้เคยพักผ่อนจีตชั่วโมงต่อคืนให้พักผ่อนเท่านั้นการปฏิบัติให้ถือว่าอารมณ์จิตสะอาดเป็นสาคัญ ถ้าจิตสะอาดจากกิเลสว่างกิเลสแม้แต่ชั่วนาทีหนึ่งสองนาทีหนึ่งก็ตามให้ใพอใจเพราะที่สงอยู่ตรงนี้ให้ถามว่าจิตสะอาดได้ว่าจากกิเลสใช้เวลาสักเกณฑ์ยังไงก็ต้องตอบว่าถ้าท่านกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกคืออนาปานุติกรรมฐาน <c oughs> เวลาไหนที่รูล้ลงเข้าลมออกโดยที่จิตไม่คิดถึงอย่างอื่นเวลานั้นถือว่าจิตว่างจากกิเลส กิเลสไม่ข้ามาครอบงามจิตหรือว่าท่านต้องการคำภาวนาถ้าภาวนาว่าพุทธโธก็ดีสัมมาราหังก็ดียันใดยันหนึ่งก็ตามถ้าขณะที่ภาวนาอยู่จิตอยู่แค่ภาวนาไม่นึกถึงอย่างอื่นคาว่าแทรกทือเวลานั้นจิตว่ายจากิเลสถ้าจิตว่ายจากิเลสวันหนึ่งเปนชั่วแค่ขณะจิตเดียวขณะจิตเวลามันนิดเดียวเนะี่ย อย่างนี้พระพุทธเจ้ายเคยทรงจักกับภาษี่บทวัสสารีปุต ต, ตะดูก่อนสารีบุทบุคคลใดทําจิตว่างจากกิเลสวันหนึ่งชัวขณะจิตเดียวเอาหนึ่งวันนะชัวขณะจิตเดียวนิดเดียวท่านบอกว่าเราขอกล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีจิตไม่ว่างจา ก, กาชานและก็บุคคลใดสามารถทําจิตว่างจากิเลสวันหนึ่งโชัวขณะจิตหนึง่งจะเป็นเคราวาก็ตามผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามไม่หมายเคราวาด ท่าบอกว่าถ้าทำได้อย่างนี้ทุกวันวันหนึ่งเป็นสงบนิดเดียวสงบจริงๆคือไม่นิดไม่ได้ดคิด อ, อย่างอื่นรู้แค่ภาวนาได้ลมหายใจเขาออกทําพบากว่าทำได้อย่างนี้ทุกวันมีานิสง์ดีกว่าพระสงฆ์ที่บวชเข้ามาในพุทธศาสนาจะพราะเวลาบวชถึงเวลาร้อยพรรษานะไม่ใช่เกิดร้อยพรไม่ใช่เกิ ด, ดร้อยปีบวชร้อยปี มีศีลบริสุทธิ์ที่สุกสิชาบทแต่ไม่เคยเจริญสมาธิแล้วคนที่มีจิตบ้านใจกิเลสพิจังจิตถึงเป็นคสมาธิบ้านใจกิเลสแค่วันหนึ่งช่วงนาจิตหนึ่งเมีนิสงดีกว่าพระ บ, บทที่มีศีลบริสุทธิ์ตัง100้งร้อยปีทางนี้เพราะอะไรเพราะศีลจะมีลุภาพแค่กา ม, มาวาจรสวรรค์ไปชมไม่ใหญ่แต่เฉพาะศีลและวัน น, ะนิพายเขาอยังไม่ได้เพป็นพื้นฐานแรก ถ้าการฝึกสมาธิด้วันชุวงขณะจิตเดียวจิตอย่างจิตจะรวบรวมกําลังอยู่เสมอเวลาใกล้จะตายอาจจิตอาจจะเกิดเป็นฌานเพราะจิตเป็นฌานสมาบัติก็ไปผลบงโลกได้ถ้ากำลังจิตเป็นฌานเวลานั้นเกิดเมื่อร่มเบื่อหน่ร่างกายมาใต้วันนั้นปฏิายยายพัพนธ์ทันทีอนาบันดาญาโยมุตตบัยสุขหลายเวลานี้ก็หมดเวลาพอ ด, ดีตอนนี้ไปอุาบรนดาญาโยมุตตว